บทที่49กลับคืนสู่บางม่วงหมูนมเจริญเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจได้สามเดือนก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนอีกต่อไป เขาถูกรุ่นพี่บังคับขู่เข็นและกลั่นแกล้งด้วยวิธีต่างๆหากก็พยายามอดทนด้วยไม่อยากมีเรื่องมีราวเกรงว่าจะทำให้เดือดร้อนไปถึงผู้ใหญ่แต่เมื่อถูกรุกรานหนักขึ้นความอดทนก็มีอันสิ้นสุดลงประกอบกับเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วเลือดนักสู้ในตัวจึงเดือดพล่านความโกรธบวกกับความแค้นทาให้เขาชกรุนพี่เจ็บไปหลายคน แล้วจิงไปหาอาจารย์บอกเรื่องราวและขอลาจากการเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจผมทนไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ผมยอมพวกเขามามากแล้วหลุงวัยยี่สบพูดด้วยใบหน้าเคร่งเครียดแต่เธอต้องนึกถึงคนฝากนะจริงอยู่ถึงเธอจะสอบเข้ามาได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่ท่านอธิบดีท่านก็สั่งให้ครูช่วยดูแลเธอ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครูจะลงโทษนักเรียนพวกนั้นแล้วเธอก็เลิกคิดเรื่องการลาออกเข้าใจไหมแม้จะยังโกรธแค้นพวกรุ่นพี่หากคนรักความยุติธรรมเช่นเขาก็ไม่เห็นดีเห็นงามไปด้วยจึงตอบอาจารย์ไปว่าผมลงโทษพวกเขาสะสมกับความผิดแล้วครับถ้าอาจารย์จะลงโทษอีกผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรม ก็แล้เธอจะลาออกทำไมกันล่ะอาจารย์วัยสามสิบเสษแย้งผมเบื่อครับอีกประการหนึ่งผมก็ไม่ศรัทธาอาชีพนี้ตั้งแต่แรกที่ต้องเรียนเพราะาเกรงใจผู้ใหญ่ที่ท่านหวังดีต่อผมมาถึงวันนี้ผมบอกตัวเองได้แล้วว่าไม่สามารถจะเรียนต่อไปได้ผมต้องการเป็นนักดนตรีครับผมชำนาญทางดนตรีไทย ชายหนุ่มยืนยันหนักแน่นเธอเคยได้ยินคนเขาพูดไหมล่ะผมจะเป็นนักดนตรีก็คือกันนั่นแหละนักดนตรีก็ยิ่งร้ายกว่านักประพันด้วยซ้ำยิ่งเป็นดนตรีไทยครูว่าเธอต้องอดตายข้อสักวันเดี๋ยวนี้คนเขานิยมดนตรีฝรั่งกันแล้วถ้าเช่นนั้นผมไปทํานาเลี้ยงชีพก็ได้คุณยายผมมีนาหลายร้อยไร่อาจารย์อย่าห่วงเลยครับ ใจนั้นเขาอยากจะบอกอาจารย์ว่าแม้แต่สุนัขมันยังไม่ยอมอดตายข้นผมอดตายก็อายสุนัขแย่สิครับแต่การเป็นชาวนามลำบากนะต้องเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินรายได้ก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฝนฟ้าถ้าเธอเป็นนายตำรวจไม่ว่าฝนจะแรงหรือน้าจะท่วมเธอก็ได้เงินเดือนทุกเดือนเชื่อครูเธอ ครูเองก็เป็นลูกชาวนารู้รสชาติของความลําบากมานักต่อ น, นักอาจารย์หนุ่มพูดด้วยหวังดีอย่างใจจริงหากก็มิอาจทำให้คนเป็นสิทธิเห็นคล้อยตามหรือยอมเปลี่ยนใจที่จะไม่ลาออกผมไม่กลัวความลําบากครับอาจารย์คุณยายสอนผมเสมอว่าถ้ารักตัวก็จะอย่า ก, กลัวความลําบากอาจารย์อนุญาตให้ผมลาออกเถอะครับ ผมรับรองว่าจะไม่ทำให้ผู้ใหญ่มาตำหนิอาจารย์แต่ถ้าผมอยู่ต่อไปสิกครับอาจารย์ต้องลำบากใจแน่เพราะผมเป็นคนไม่ยอมคนถ้าพวกมันมาหาเรื่องผมอีกคราวนี้ผมจะเอาให้ถึงตายอาจารย์หนุ่มยอมจำนนต่อเหตุผลของคนเป็นศิษย์รู้ว่าเขาต้องทำตามที่พูดไวเพราะฉะนั้นการยอมให้เขาลาออกไปตั้งแต่วันนี้ ก็เท่ากับตัดไฟเสียแต่ต้นลมจึงพูดขึ้นว่าตามใจเธอก็แล้วกันแล้วครูจะเรียนผู้ใหญ่ว่ามันเป็นความประสงค์ของเธอขอพระคุณครับถ้าเช่นนั้นผมจะได้ไปเก็บเสื้อผ้าและขอลากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยผมลาละครับและหากผมได้ทำอะไรที่ทำให้อาจารย์ไม่พอใจก็ปรดอโหสิให้ผมด้วย เขาไหว้อาจารย์หนุ่มอย่างนอบน้อมแล้วจึงเดินกลับไปยังห้องพักเก็บเสื้อผ้าพับใส่หีบไว้ใบเดิมพวกเพื่อนๆไม่มีใครอยู่ให้เขาล่ำลาด้วยแต่ละคนกำลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนหนุ่มน้อยรู้สึกใจหายนิดๆเวลาสามเดือนที่อยู่กันด้วยความรักพวกพ้องได้ก่อตัวขึ้นทีละน้อยจนกลายเป็นความผูกพันเมื่อจำต้องจาก จอความอะไรวาอรก็มารุมเร้าอยู่ในหัวอกชีวิตของเขาพบกับความพลัดพลากหลายครั้งหลายคราและคงจะต้องผ่านพบอีกตราบใดที่ลมหายใจยังมีครูสอนมีอันต้องพานหนุ่มวัยี่สิบเข้าพบจอมพลแปลกอีกครั้งเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ชายหนุ่มไม่ยอมเรียนทั้งที่เขาอุตส่าห์พาไปฝากฟัง ท่านคงตำหนิครูแน่เลยเธอไม่น่าทำให้ครูผิดหวังมากมายอย่างนี้เขาตอบว่าคนเป็นสิ์ใบหน้าและน้ำเสียงบอกชัดว่าหนักใจผมจะเรียนท่านเองครับว่าความผิดทั้งหมดอยู่ที่ผมครูทำใจให้สบายเถิดครับนุมจเจริญพูดให้ครูสอนคลายกังวลนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดอะไรให้เป็นที่สะเทือนใจแก็คนทั้งสอง ท่านรับฟังชายหนุ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยอาการสงบเขาเล่าจบท่านจึงพูดขึ้นว่าเมื่อเป็นความประสงค์ของเธอฉันก็ไม่ว่าอะไรคนจะเรียนตำรวจไม่ยากแต่คนที่มีฝีมือทางดนตรีไทยเช่นเธอนับวันจะหายากขึ้นทุกทีฉันขอฝากเธอด้วยอย่าทิ้งมระดกล้ำค่าที่ปู่ย่าตายายรับมาจากบรรพบุรุษ ฉันขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จในอาชีพที่เธอรักได้ฟังคาพูดของผู้นำประเทศชายหนุ่มเกิดความซาบซึง้งจนพูดอะไรไม่ออกเขามองบุรุษตรงหน้าด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความเคารพนับถืออย่างสูงสุดเขามองบุรุษตรงหน้าด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความเคารพนับถืออย่างที่สุดสมแล้ว ที่ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นวีวรบุรุษของชาติท่านช่างมีความจริงใจและพร้อมที่จะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นคุณสมบัติเช่นนี้ยากนักที่จะพบในคนที่เป็นถึงผู้นำประเทศเพราะคนที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวมักขาดความจริงใจทั้งยังไม่ยอมเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้ใด บุรุษผู้นี้จึงล้ำเลิศประเสริฐแท้ในความคิดของชายหนุ่มนามเจริญจร่นรัฐเมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเมืองนอนหนุ่มเจริญจึงไปบางแวกเพื่อกราบลาหลวงทาราคุณหญิง ตลอดจนญาติพี่น้องแห่งบ้านสามกระไดเขาคิดว่าจะนอนคุยกับคุณประพ์สักคืนหนึ่งเพราะคงยากที่จะได้พบกันอีกคุณหลวงวัยเ0้าสิบเศษดีใจที่หลานชายมาเยี่ยมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปสามเดือนติดติดกันช่วงที่ไปเรียนตำรวจชายหนุ่มไม่ได้มาเยี่ยมผู้เป็นปู่เดือนละครั้งเหมือนที่เคยปฏิบัติ หลวงธาราเริ่มป่วยกระสาบกระแสะด้วยโรคชราคลั้นหลานชายมาเยี่ยมท่านจึงดีใจกว่าทุกครั้งยิ่งเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของหลานเรื่องที่จะสืบทอดมรดกที่ท่านรักและหวงแหนคุณหลวงวัยเก้าสิบเศษก็หมดห่วงเพราะได้ทำหน้าที่มนุษย์ครบถ้วนแล้วคืนนั้นท่านสวดมนต์นานกว่าปกติแล้วจึงเข้านอน กำหนดจิตว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วท่านก็จะจากโลกนี้ไปด้วยอาการอันสงบโดยไม่ต้องหามหามอมาเยียวยาคนในบ้านมารู้เรื่องก็ต่อเมื่อเมื่อเวลาอาหารเช้าหนุ่มจเจริญลุกขึ้นมาช่วยผู้เป็นป้าเช่นเคยเมื่อตั้งโตะเสร็จทุกคนก็ต้องประหลาดใจที่คุณหลวงยังไม่ตื่นคุณประพ์จึงอาสาไปปลุก และออกมาบอกได้ใบหน้าเศร้าหมองว่าคุณหลวงหมดลมใช้แล้วเป็นอันว่าอาหารเช้ามื้นนั้นไม่มีใครแตะต้องเพราะทั้งเจ้านายและบ่าวไพร่ต่างพากันจัดการเรื่องงานศพผู้เป็นประมุขของบ้านคุณยิ้ห่วงร้องไห้เสียใจสักครู่ก็หักห้ามใจได้ยิ่งเห็นสามีนอนหลับตาพลิมยิ้มน้อย ปรากฏที่มุมปากท่านก็รู้ว่าสามีไปดีจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งเศร้าโศกเสียใจไปที่ชอบที่ชอบเถ้าค่ะคุณหลวงอีกไม่นานดิฉันก็คงจะตามไปคุณหญิงบอกร่างที่นอนสงบนิ่งเหมือนคนหลับสนิทนุมเจริญได้ประจักษ์ในความเป็นอนิจจังของชีวิตอีกครั้งเขาหวนคิดไปถึงยาย ผู้ซึ่งอีกไม่นานก็จะต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติแบบเดียวกันนี้ชายหนุ่มเริ่มเบือหน่ายในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหากก็ไม่รู้ว่าจะไปพ้นจากสภาวะเช่นนี้ได้อย่างไรบวดนารึกเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเกลียดพระภาพหลวงตาวัตนดชักมีดออกมาจากฝักส่งให้ลูกสมุนพร้อมบงการเอาเลย แทงมันให้ตายและโยนลงน้ำไปทำให้เขาเกลียดพระมาตั้งแต่บัดนั้นทิดพองลงมาเผาศพปิดาข้ากลับจึงได้ช่วยบุตรชายขนเครื่องดนตรีไทยกลับเมืองสิงห์ซึ่งกว่าจะถึงก็ทุลักทุเลเต็มทีคุณประพ์อยากตามไปเที่ยวด้วยหากก็ห่วงคุณหญิงและมารดาจึงไม่ยอมไป คุณประพ์อยากตามไปเที่ยวด้วยหากก็ห่วงคุณหญิงและมารดาจึงไม่ไปสองพ่อลูกต้องเดินทางกลับกันตามลำพังในแรมช่วยขนขนเครื่องดนตรีมาส่งที่ท่าเตียนคุณประพ์ก็มาช่วยขนขึ้นเรือแดงและรออยู่กระทั่งเรือออกจากท่าเขายกมือไหว้น้าชายแล้วล่ำลาญาตินงได้การตบไหล บ่ายนั้นเบาๆโชคดีนะครับคุณเจริญอย่าลืมมางานแต่งงานผมกับคุณบุญพร้อมนะครับอีกสามปีข้างหน้าคุณประพน์เรียนอยู่รัฐศาสตร์จุฬาปีที่สองเขาวางแผนชีวิตไว้ว่าเมื่อเรียนจบจะทำงานหนึ่งปีแล้วก็แต่งงานถึงเวลานั้นคุณบุญพร้อมก็เรียนจบ การเรือนพอดีส่วนเรื่องจะไปเป็นครูการเรือนหรือเป็นแม่บ้านก็แล้วแต่เธอจะเลือกเขามั่นใจว่าจะเลี้ยงดูเธอให้มีความสุขได้ไม่ว่าเธอจะทำงานหรือไม่ก็ตามระหว่างที่นั่งมาด้วยกันในเรือทิศพองเปิดโอกาสให้บุตรชายได้คิดคำนึงอย่างอิสระโดยไม่ชวนคุยเวลาสี่ปีในบางกอกเขาคงได้พบได้เห็นอะไรต่อมีอะไร หลายอย่างทั้งดีและร้ายถึงอย่างไรบุตรชายก็ยังโชคดีกว่าเพื่อนของเขาซึ่งเอาชีวิตมาทิ้งเสียที่บางกอกไม่มีโอกาสได้กลับไปเห็นหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยสักครั้ง หนุ่ว้ยย่ปล่อยใจให้โลดแล่นไปตามกระแสคลื่นแห่งความคิดคำหนึ่งเขาหัวนึกถึงวันแรกที่เดินทางเข้าบางกอกความรู้สึกวันนั้นกับวันนี้ต่างกันลิบลับทั้งที่เจ้าของความรู้สึกเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันภาพหนุ่มกันเชียงที่ดูตื่นตาตื่นใจกับการได้มาเห็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ แล้วก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนเรื่องราวของหนุ่มกันเชียงเลือนไปแล้วแต่มีภาพคุณสายทิพย์เข้ามาแทนสาวน้อยผู้มีความซุกซนและยึดติดอยู่กับคู่แฝดเรากับเป็นคนเดียวกันชายหนุ่มได้ประจักษ์ถึงสัจธรรมของชีวิตอีกอย่างหนึ่งคุณสายทิพย์มาพร้อมๆกับคุณสายทองแต่เวลาไปกลับไปคนเดียว ไม่สามารถเอาอีกคนไปด้วยได้แม้รักแสนรักสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสายทิพย์น่าจะเป็นอุตสาหนสอนใจคนทั้งหลายได้ว่าไม่ควรยึดติดถือมั่นกับอะไรอะไรในโลกไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของก็ตามจากคุณสายทิพย์ชายหนุ่มก็เห็นภาพหลวงทาราแม้ท่านจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป หากท่านก็ไม่สามารถฝืนกฎธรรมชาติได้นี่กระมังที่ยายมักพูดเสมอๆว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเรื่องของคนตายชายหนุ่มก็มาคิดถึงเรื่องของคนเป็นโดยเฉพาะคนที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยช่วงเวลา4ปีเรื่องราวหลากหลายผันผ่านเข้ามาในชีวิต บางเรื่องควรแก่การจดจาหากก็มีบางเรื่องที่ควรลืมเช่นเรื่องหลงตาวัตโนดเรื่องคุณเปียมและเรื่องที่โรงเรียนในร้อยตํารวจเป็นต้นส่วนเรื่องควรค่าแก่การจดจาก็คือเรื่องของทุกคนที่บ้านสามกระไดก่อนหน้าที่คุณเปี่ยมจะเข้ามาอยู่เรื่องครูจํานงและครูสอน ผู้ซึ่งให้ความรู้เรื่องดนตรีไทยแก่เขาและที่จะลืมเสียไม่ได้ชีวิตนี้ลุงหมันแท่ตั้งหมอจีนผู้ช่วยชีวิตเขาไว้ช่วงเวลาสั้นๆที่พำนักอยู่ในบ้านลุงหมันเขาได้เห็นชีวิตอีกแบบหนึ่งของคนที่จนเงินทว่ารวยน้ำใจภาพของแม่พันธุ์ผู้เป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วเจ้ใหญ่ ผู้รับผิดชอบหน้าที่การงานในบ้านแทนบิดามารดาเด็กหญิงสุนีที่แก่นแก้วและซุกซนราวกับเด็กผู้ชายภาพเด็กชายสามคนที่นั่งล้อมวงเ้าซีอยากฟังนิทานจากเขาสิ่งเหล่านี้ตราตรึงอยู่ในความทรงจำตลอดไป ใส่บาทพระสงฆ์ห้ารูปเสร็จเรียบร้อยยายขึ้นเรือนไปกรวดน้ำให้เจ้ากํานายเวรจากนั้นจึงบอกลาหลานสาวให้หาสำรับกับข้าวมากินกันกินข้าวยังไม่ทันใจอิ่มทิดพองก็ขึ้นมาบนเรือนเขายกมือไหว้คนเป็นแม่ยายผู้ซึ่งถามประโยคแรกคือไอ้หนูของข้าเป็นยังไงบ้าง ปีนี้อายุครบบวชแล้วนะน่าจะมาบวชสักพรรษาและค่อยกลับไปเรียนต่อก็ไม่เรียนแล้วล่ะครับแม่เขาจะมาเป็นครูสอนดนตรีไทยที่บ้านเราคุณพ่อผมท่านยกเครื่องดนตรีให้สองวงบุตรเขยบอกดีจริงแล้วเขาจะมาเมื่อไรทำไมผอพองไม่พาเขามาด้วยละ่ะยายรับฟังอย่างยินดี ยินดีที่หลานชายจะไม่จากไปไหนอีกพามาแล้วครับตอนนี้เฝ้าเครื่องดนตรีอยู่ที่ท่าเรือผมจะแวะมาหาคนไปช่วยขนจำแรงประเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วไปช่วยบอกพี่เขยเองให้เอาเกวียนไปขนเครื่องดนตรีให้น้องด้วยเขารออยู่ที่ท่าเรือทิศพองสั่งลูกสาวคนเล็กงั้นบอกพี่เขยเองให้แวะมารับข้าด้วย ข้าจะไปรับหลานข้าที่ท่าเรือยายบอกหลานสาวจะไปให้เกะกะทําไมลลยยายประเดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้าหลานคนโปรดแล้วอดใจอีกสักหน่อยจะเป็นไรไปหลานสาวพูดอย่างเหลืออดยายตั้งท่าจะเถียงก็พอดีทิดพองพูดขึ้นว่าผมว่าแม่รออยู่ที่บ้านดีกว่าครับเดี๋ยวไอ้หนูก็มาแล้ว ก็ได้ดีเหมือนกันข้าจะได้เตรียมสำรับกับข้าวไว้ให้หลานข้ายายินยอมแต่โดยดีจนหลานสาวแปลกใจ